ไม่ใช่ตะโกนเป็นปากเป็นเสียงแต่ก็มีบ้างแต่ว่าจะต้องเห็นสิ่งที่สแสดงเป็นการทำไม่แจ้งทำไม่เห็นรู้แจ้งจึงจะเป็นของเราเรียกว่ารู้เห็นพบเห็นไม่ใช่ชิดเห็นเรียกว่ารู้แจ้งไ้่ใช่รู้จำจำมา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 ว่นั่นจริงไม่มีสติจัแยนเยอะไม่มีแ บ, บประกาศท้อย้าก็าไม่ใช่ต้องมาเพื่อขอย่างนี้ทำบ่อยๆรู้มากๆรู้ถึงตัวมากๆเรียกว่าภาวนาภาวนาขยันรู้มันหลงอนะเป็นตัวรู้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 มันเคยอ่อนแอไปทางนั้นยินดียินลายพอใจไม่พอใจแบบนี้กลับมาสามาลู่สึกตัวอย่างนี้วอาหัดการหัดจากนี้หัดให้เป็นการเป็นอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองสอนตัวเองสึกขัดตัวเองแจ้ไขตัวเองเตือนตัวเอง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 โอเคลาสารีบทพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปในป่าสังสารโสตป่าลองเลิน่นน้ำใสไหลเย็นเงีย บ, บสงบภิกษุทั้งหลายก็สฉเสรินกันว่าป่านี้ดีจริงๆเหมาะสำหรับพระหูโโสดอยู่นอนก็พูดเกิน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 ให้ผมอยู่นี่สารวก็เหมาะจะสารวบอกว่าให้ผมเนี่ยอยู่ต่างองทางพูดกันอย่างนี้อยู่ก่อนวิสูจน์ต้องหลายป่านี่ดีสําหรับผู้ที่ฉันบินถ้บาดแล้วหรือบาดวางลงนั่งตั้งใจให้ตรงมีสติให้มัน่นเหมาะสําหรับผู้มีสติสอนพัญญะ ที่ทั้งหลายก็ยกเลิกไม่เคียงกันเลยส่อถุส่อถุส่อถูส่อถูก็หึ้นขึ้นในป่าสังสารสน์ลยเรียกว่าลงตัวมันดีอยู่ที่การมีสติสมัญญะก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเวลามันพวกมันทํามันคิดก็รู้จักแก้ไขในกคำพูดแก้ไขในความผิดสมรวมตางหงอจมูกเล่นกายใจมีสติสมัญญะ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 ต้องป้องกันดีกว่าหินร้อนช้อนกลางล่างมือให้ดีๆจากก๋าเจนจะลุยจะลอยสำบูรณ์มาระวังการใช้ชีวิตย๋าสุลุยสลอยใช้กายใช้ใจกใ่กสอสหะเกินไปสำสอนเกินไปคิดอะไรก็ได้สำบูรณมลงบ้างมีสติตัวจับอาสัยสัมรมมองบ้า ง, อ, ง, าาย อ, ง, างอย่าเป็นไก่โจกเกินไป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 บางทีพูดพเจ้าก็สอนเอาอย่างแย่รู้จักแ yeah, ย่ไหมแย่เขาเรียกกันรฮ <laughs> ะรู้จักแ yeah, ย่ไหมไอ้ไข่กับจิ้งโกชิ่งเหลนเนี่ยจิ้งกาเดวมันอยู่ในรูจะออกขายนมันขึ้นมาจากรูมันช์คอขึ้่อน้อยน้อยสักนิ้วเดียวพอมีดวงตาเห็นมันก็มองรอ บ, รอบ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 ถ้าสมบูรณไม่ดีมันจะติดรถติดชาติในโลกนี้มีการหลอกกันรถก็ทำให้เราติดเสียงก็ทำให้เราจิตลูกก็ทำให้เราติดได้เขาสร้างบริษัทเึื่อมาเพื่อหลอกกันทำไแต่เพราะใบหน้าไงเขาสร้างบริษัทเป็นร้อยรอยพันบันบริษัทหาจินกับไปหน้าของคนเม็ดสิวเม็ดเดียวก็หาจินได้ถ้าคนเราไม่โลนะ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 อย่าทำผิดชอบอันนี้เราบวคนทำงานอย่าไปเก็บอกเก็บใจเวลามันผิดมันาพาดเป็นบทเรียนที่ไม่ค่าเยอะแยะชีวิตเราอยู่ร่วมกันเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับงานกับการด้วยอย่าหลงให้ศึกษาชีวิตเรื่องนี้บ้างมันมีอยู่สูตรเนี่ยสูตรชีวิต่างสูตรของคนเด็กายเวทนาจิตธรรม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 คือทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นฉุกเป็นทุกข์วันไหวไปตามสายตามเวทนาตามจิตตามธรรมัจจบันนี้เราเห็นแล้วสักว่าสักว่าไปเลยที่แรกก็อาศัยพระเจา้าสอนไว้สักว่ากาสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปกุกคนตัวตนเราเขาเป็นคำพูดเป็นคําตัดของพระพุทธเจ้าออกจากโพสดของของ เ, เอง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 เราไม่มีพ่อพ่อตายไปจากอาชัยการเล่าเดียนแไปมาสอนตัวเราวดเป็นแน่น้อยก็ดีนะมีประโยชน์นะลักษณะข้อกวนเกียดตข้านมีลักษณะง้าประการหนึ่งอ้างว่าร้อนนักไม่ทํางานทานําการสองอ้างว่าหนาวดักไม่ทํางานทานําการสามมักอ้างว่ายังเช่าอยู่ไม่ทําการงานท่านา ส่บ้งกว่าหิวนักไม่ทำการทำงานน่าอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> เอ้ามาสอนต่อเราถ้าเวลาใดอ้างว่าเช้าอยู่ไม่ลุกอุย้ยไอ้เกียดพันตัวน่ะไม่ได้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาอ้อางนี่ทำมาหาชินอย่าตามใจกังเกรนไปเอาข้อวัดปฏิบัติคำสอนของพ่อของแม่ของครูาอาจารย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 ตอนกลางวานไว้วฉันที่กะตีหลวงพ่อผมตอนเย็นไปฉันที่กะตีโนนไม่ใช่ฉันข้าวะฉันน้ามบาณนะมันจะต้องกินยาทุกเวลาวันละสามเมื่อวันละสามครั้งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นต้องกินอาหารพอได้เกืนข้าวรองทอง้องอยาวางไเพื่อต้องมีอาหารหลงงอสัง่งสั่งอาหาร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 ยืนนรยืนไม่ขวจอดเลยปัดโทปัดโทปโทัดโถผ่านลงมาจังติ่นเต้นเห็นพระเจ้าวินดบารแล้วก็พูดออกมาว่าใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้นเผ่านเสิเเ็แล้วเย็นาจใครมีสามีอย่างนี้ภรรยาได้นเผ่าน ไก่มีพี่ชายอย่างนี้น้องได้นิพพานไก่มีน้องอย่างนี้พี่ได้นิพพานอะไรอ่ะเย็นใจแล้วจากของคนดีก็มีระว่าขี้ยามา ร, รยานไม่ผล ผ, ผ, ผันแนันแลนจับไปบ้านเย็นใจให้คนเห็นเย็นใจดีกว่าเก่าเพื่อนร่วมงานเย็นใจเราเมย์ทำไมสามีเย็นใจ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 เรื่องนี้วิธีใดก็ได้กดอีเมลสุโกโตก็มีนะประเทศต่างประเทศเขากดปับ๊บยกเบองทางนี้บโอ้นี่หลวงพ่อเทียนสมัยมันมีอยู่นะเจมเนอเป็นแขนหลองพ่อเทียนอย่กดแล้วถ้เห็น่ะสุโกโตมาได้เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้จะตุ่มจนโนวดจะเสียงกำลังจะให้เป็นนานาชาต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 คิดว่าพออยู่ได้นะจุกตอยู่ได้ไหมเรงทานพออยู่ได้ไหมทําห่อข้าววันละห่อสักเจ็ดวันได้ไหมห่อข้าวให้เวลาใครมาปฏิบัติหัวข้าวห่อดนังกวดน้ํากวดหนังได้ไหมเจ็ดวันร้อยห่อเกือบสิบเกือเจ็ดร้อยหอใช่ไเจ็ดวันน้ำเกือบ้อยพออยู่ได้ไหมยอยากจะนัดแบบนี้นะ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนะเอากันบ้างอย่าทิ้งกันเห็นใครไม่ดีขอให้ถือว่าเป็นความผิดของเราอย่าไปเกลียดเขาทำไมถึงว่าเป็นความผิดของเราเรายังไม่ได้สอนเขาถ้าสอนเขาแล้วเขายังไม่ดีพูงนี้ไม่อยู่เขาอาจจะดีแต่พวกนี้เขายังไม่ดีเดือนหน้าจากมีเขาจะดีเดือนหน้า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 แม่ยังเอามือชุกของมันร่มขงไปใช่ไหมเห็นไหมมันทําให้เราให้ม่น้ำใจร่างหน่อลักกันอิ้มพิสคอนหล่อบงทีก็อยากจะทํำอะไรมันทำไม่ค่อยได้เหมือนหลวงพ่อเทียนบอกผมจะไปต่างประเทศผมพมก็จะนุ่งเสื้อใหญ่ผมก็จะนุ่งเสื้อใหญ่จะไปนั่งสอนนลวงพ่อเทียก็ไปใส่ชุดเชนยิ่งๆนั่นที่สิงคโปร์ ห้ามมาอย่เบียร์อยยี่สิบหกห้ามมาอยกหลวงพ่อเทียนป่วยหนักจะไปเชงกโปพวกเราสมัยก่อนหลวงตาอยู่วัดโมกนะไปบริหารวัดโมกไปประชุมกันบอกว่ า, วาตอนนี้หลวงพ่อเทียนอ า, าพาฒมากแล้วพวกเราต้องอุปถากให้ดีที่สุดแรงเวลากันสร้างกติให้ใหม่หลังเผียนออกแบบกติเราออกแบบแรบงบ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 ต้งเช็ดตาหน้าตาต้งเช็ดปากต้องเหลืยดผ้าพื้นเต็มทีแล้ววะแล้วก็เอาไงพวกเราประดีวก็นอนอยู่หลาอหวันไม่เห็นทำไรก็เลยหมอวัฒนาลงบาลสมิติเวสขอย้ายโรงพาบาไปสมิติเวสไปตัดกระเพาะออกมาช่างดูเกกิโลกระเพาะนี่ไม่มีถุงเลย เต็มไปลุ่ยก้อนเนื้อตัดทิ้งไปเลยพระเุทีเอยู่ด้านมาเกินสองสามเดือน<ม>เราก็พยายามช่วยชีวิตยอยู่ทั้งเกือปีมาอดชีวิตหลองเนื้อปีสองพันร้อยสามสิบเอ็ดเราก็ไปปฏิวัติบูชาหลองพ่อในคืนวันที่สิบสามที่ผ่านมาไม่หลับไม่นอนกันเลย